ท่านว่าทุกคนกกำหนดรู้นั้นกำหนดจนรู้ประจักษ์ใจจริงๆดังที่อธิบายมานีา่แหละชื่อว่ากำหนดรู้และลาสัจจะทั้งสองคือทุกข์กับสมุ ท, ทยัยด้วยมักคือสติกับปัญญาที่ทำงานถอดถอนกิเลสไปพร้อมๆในขณะเดียวกันท่านว่าทุกคนรกำหนดรู้สมุทัยควรละนั้น ถ้าไม่นำสติกับปัญญาซึ่งเป็นองค์ของมรคมากำหนดรู้และละถอนแล้วจะเอาอะไรมารู้และมาละถอนนิโรธความดับกิเลสกองทุกทั้งหลายจึงจะมีทางดับทุกได้จำต้องนำสติกับปัญญามาทำงานด้วยในขณะเดียวกันทุกก็จะดับไปโดยลำดับจนดับสนิทด้วยอำนาจของมรคจึงเป็นทางแสดงออกได้ การเกี่ยวโยงกันระหว่างสัจธรรมทั้งสี่จึงแยกกันไม่ออกต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ตลอดไปแต่ต้นจนอวสารสติปัญญาที่เป็นองค์ของมรคมีกำลังมากเพียงไรกิเลชนิดต่างๆก็ยอมอ่อนกำลังลงเพียงนั้นแม้นิโรธความดับแห่งกิเลสกองทุกทั้งหลายยอมค่อยๆดับไปตามกำลังของมรคจนไม่มีกิเลสกองทุกเหลือหลออยู่ภายใน กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนแต่มีอยู่ที่ใจดวงหมดกิเลสด้วยสิ้นเชิงแล้วนั่นและคาว่าพุท ธ, ธะแท้ก็หมายอันนี้ธรรมะแท้ก็หมายอันนี้สังฆะแท้ก็หมายความบริสุทธินี้คําว่าธรรมะคืออะไรก็คืออันนี้แหละที่เป็นธรรมะแท้ซึ่งโลกราบไหว้ฝ่ฝันมานาน ท่านผู้ประสงค์อยากพบอยากเห็นธรรมะแท้คืออะไรอย่างถึงใจจึงไม่ควรมองข้ามการอบรมใจดวงพร้อมที่จะเป็นธรรมะทั้งแท่งอยู่ทุกเวลานี้การแปลชื่อของธรรมะว่าคืออะไรจะแปลจนจรดคอฝังมหาสมุทรทะเลก็ไม่มีวันหายสงสัยได้แปลไปกว้างขวางเท่าไรความสงสัยไม่มีทางสิ้นสุดยุติลงได้ เช่นเดียวกับคนไม่เคยเห็นเพชรนินจินดาแม้จะถ่ายภาพมาดูจนกองเท่าภูเขาก็เป็นเพียงภาพของเพชรนินจินดาอยู่เท่านั้นมิใช่ตัวจริงของเพชรนินแท้พอจะทำความสงสัยให้หายได้ด้วยการดูภาพนั่นเลยแต่จะทำให้หายสงสัยได้ด้วยการเห็นเพชรนินอันแท้จริงฉะนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมชาติลึกลับเมื่ อ, อยางคนไม่พบ แม้จะอ่านธรรมะเรียนธรรมะได้มากมายเพียงไรก็เท่ากับการถ่ายภาพเพชรนินจินดามาให้คนไม่เคยพบเคยเห็นดูกันนั่นแหละจะไม่สามารถตัดความสงสัยได้เลยการตัดความสงสัยในธรรมะว่าคืออะไรเป็นต้นได้นั้นจึงควรเรียนเรื่องของใจซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะโดยตรงเรียนรู้มากเพียงไรยอมจะทราบเรื่องตัวของธรรมะมากเพียงนั้น จนทราบธรรมะโดยตลอดทั่วถึงภายในใจตัวเองเมื่อทราบประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วยอมสิ้นสงสัยลงในทันทีทันใดและสิ้นสงสัยตลอดการคําว่าธรรมะคืออะไรก็คือสิ่งที่รูรเ้เห็นอยู่กับใจนี่เองจะเป็นอะไรอื่นมาจากไหนแต่ทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจ เวลาจะอธิบายให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมะแท้นั้นไม่มีทางอธิบายได้เลยเพียงเปรี่ยบเปรียปร่ยบเปลยเปลยไปอย่างนั้นเองเหมือนเวลาเกิดคันภายในลาคอขึ้นมาไม่ทราบจะเกาอย่างไรให้ถูกกับจุดที่คันนั้นได้เกาเท่าไหร่ก็เกาได้แต่ภายนอกส่วนภายในที่คันจริงๆเกาไม่ได้เกาไม่ถูกทั้งที่รู้จุดที่คันอยู่อย่างเต็มใจฉะนั้น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 เช่นการนั่งต่อสู้ทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยมักเจอธรรมะดวงที่แปลยากยากอธิบายยากยากเร็วกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นโดยมากครูอาจารย์ที่ได้ธรรมะเด็ดๆจังๆมาสอนหมู่ชนท่านมักได้ด้วยวิธีดังกล่าวเป็นส่วนมากมากกว่าได้โดยทางธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไปแม้เวลาสอนผู้อื่น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 จึงชอบการแสดงแบบนั้นมาประจำนิสัยไม่จืดจางกิเลสคงหยาบอยู่มากจึงชอบของแข็งแข็งตีเอาตีเอาใจรู้สึกหมอบง่ายไม่กล้าลำพองพยองตัวยั่วยุนักเหมือนที่เคยเก่งกาจฉลาดกว่าครูตอนที่ยังไม่เคยพบของแข็งของคมสับเขกท่านอาจารย์มั่นท่านรู้นิสัยคนเก่งไม่ได้เรื่องได้เรา ซึงมักมอบแต่เครื่องดัดสันดานเจ้าบอล น, นี้ให้เสมอมาแทนที่จะยื่นผลไม้ลูกหอมหวานให้เมื่อถูกยาขนาดสำคัญสําคัญหนักๆเข้าเพียงได้ยินเสียงและได้ยินชื่อท่านเท่านั้นเจ้าบอล น, นี้วิ่งหาที่หมอบหลบซ่อนเร็วยิ่งกว่าลิงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมเสียละเกินแม้ทุกวันนี้เจ้าบอล น, นี้ยังกลัวท่านอยู่เลยไม่หาโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้ยังโลดผลนัก เพียงระลึกถึงท่านก็หมอบราบทันทีท่านที่ชอบเที่ยวหาที่เด็ดๆ เ, เป็นที่บําเพ็ญหนึ่งท่านที่ชอบนั่งอยู่ในที่เปลืบเปี่ยวน่ากลัวหนึ่งท่านที่ชอบอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรอย่างถึงใจหนึ่งท่านที่ชอบนั่งสมาธินานๆและต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาหนึ่ง และท่านที่ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้เวลาสนทนาธรรมภายในกับท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูกธรรมะที่ท่านเล่าให้ฟังแต่ละครั้งเป็นธรรมะที่เกิดจากจิตใจจริงๆทั้งแปลกทั้งพิสดารทั้งอัศจรรย์หาฟังได้ยากดูกิริยาท่าทางเคร่งครึมสำรวมเป็นที่น่าขยาดคัานค้ามอยู่ภายใน สมกับธรรมะที่ท่านระบายออกอย่างแท้จริงและน่าเลื่อมใสยิางลึกซึ้งแต่กับบุคคลทั่วๆไปท่านทำตัวเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้อัตถะรู้ธรรมะอะไรเลยพูดน้อยไม่ชอบสังคมกับใครชอบอยู่ลาพังคนเดียวชอบไปคนเดียวไม่ชอบเทศชอบสนทนากับใครเหมือนไม่รู้อะไรเสียจริงๆแต่กับผู้สนิทสนมเวลาท่านพูด ฟังแทบไม่ทันธรรมะไม่ทราบไปเอามาจากไหนไหลออกมาเหมือนน้ำเหมือนท่าไม่มีอัดมีอั้นพูดไม่ค่อยซ้ำซากวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาพูดอีกวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาสนทนาซึ่งเป็นธรรมะภายในล้วนเมื่อคิดเดาตามความรู้สึกแล้วท่านน่าจะรู้ธรรมะภายในใจเรื่อยๆในวันเวลาหนึ่งหนึ่งสมกับเป็นผู้มีความเพียรกล้าไม่กลัวตาย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 ถูกผู้เป็นนักกลัวผีไปเจอเข้าน่ากลัวจะไม่มีลมหายใจวิ่งกลับไปบ้านเพราะผีกิเลสชนิดต่างๆถูกสังหารทำลายด้วยน้ำมือของท่านผู้กล้าตายในสงครามแห่งวัตะวันมากต่อมากรวมทั้งตายเก่าตายใหม่ตายทับตายถมตายเกลื่อนกลาดบาดตาสลดใจที่ไม่เคยพบเห็นมาในชีวิตจนประมาณไม่ถูกแต่ท่านผู้สังหารกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียร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 เพราะการคอยระวังรักษาแม้เช่นนั้นยังกลับเป็นภัยแก่เจ้าของอีกด้วยดังธรรมะท่านว่าโลโพธรรมานังปริปันโถความโลภเป็นภัยแห่งธรรมะคือความสงบเย็นทั้งหลายดังนี้ผู้มีความโลภเข้าครองเป็นเจ้าอํานาจวาสนาบนหัวใจแล้วธรรมะคือความสงบสุขย่อมไม่มีทางเจริญงอกงามในใจได้ ต้องถูกความโลภทำลายหายสูญเกลี้ยงไม่มีเหลือหลออยู่ได้ฉะนั้นผู้หวังความพาสุขเจริญใจด้วยธรรมะเป็นที่จอดแวะพักพิงจำต้องสำนึกตัวกลัวความโลภอันเป็นตัวมหาวินาศและทำความเข้มงวดกวดขันมันที่คอยทำลายธรรมะภายในใจอยู่ทุกเวลาอย่าปล่อยให้เป็นเจ้าอำนาจซึ่งอาจถึงขนาดทาเราให้ตายทั้งเป็นก็ได้ ถ้าเผยตัวมั่วสุมกับมันมากนักความโลคตัวนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็คือสัตว์ตัวคอยทําลายโลกไม่เคยทําคุณให้แก่ใครแม้แต่น้อยเลยถ้าเป็นเชื้อโรค ก, ก็เป็นชนิดที่โลกขยายคล้านครามมากยากจะรักษาให้หายได้ถ้าลงได้เกาะกินรายใดเข้าแล้วเป็นโรคชนิดที่ผู้นั้นต้องหมดหวังทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่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 แต่ชอบวางกับดักไว้อย่างลึกลับในหัวใจคนทุกชาติชั้นวันนะแม้พระเนนเถนชีก็ไม่เลือกหน้าว่าจะเกรงขามบ้างเลยถ้าหัวใจต่ำซามพอมันคว้าได้ต้องคว้ามาคยี้มาเป็นเครื่องมือมาเป็นคนงานของมันทันทีและตั้งโรงผลิตลงที่หัวใจดวงนั้นบังคับบัญชาใจผู้ที่มันฝึกอบรมมาจนเชี่ยวชาญคล่องแคล่ว ให้ออกทำงานคิดหาไรายได้ร่ำรวยด้วยอุบายวิธีต่างๆจะได้มาด้วยวิธีผิดๆพลาดๆฉลาดแกมโกงใดๆเป็นเอาทั้งนั้นขอแต่ให้ได้มาก็เป็นที่พอใจของนายผู้ตั้งรายรับรายจ่ายไว้สูงจนใจที่มีความระลึกรู้บุญบาปอยู่บ้างบรรดามนุษย์ธรรมะทั่วๆไปไม่สามารถอาจเอื้อมทำลงได้ มอบหน้าที่ให้พนักงานตัวโปรดสำคัญคือใจเป็นผู้ดำเนินงานคิดค้นและสั่งเสียกิจการต่างๆออกทางกายทางวาจาให้เที่ยวแสวงหารายได้คนละทิศละทางทั้งไกลและไกลทั้งในและนอกทั้งทางน้ำและทางบกทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเว้นแต่เวลาหลับตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหยื่อชุกชุมมาก ทั้งกอบโกยทั้งรอยทุกลงบนหัวคนไม่ไว้หน้าว่าเป็นใครทั้งกล้าคิดกล้าพูดกล้าทาได้ทั้งที่แจ้งที่ลับไม่มีกระดักอายว่าใครจะตำหนีตีเตียนและเกลียดคี้หน้าหรือเครียดแค้นเพียงไรขอให้ได้ตามคำสั่งของมหาอำนาจคือโลโพธมานางปริปันโถก็เป็นที่พึงพอใจการเก็บรักษาไม่ยอมให้รั่วไหลไกลมือนั้น นายโลกต้องสั่งเก็บแบบไม่คิดว่าโลกกว้างแสนกว้างจะมีที่เก็บหรือไม่แต่เก็บสั่งสมเสียจนลืมคิดว่าเรานี้จะฝืนเป็นคนอยู่ค้ำฟ้าท้าทายความตายตลอดไปหรือเป็นคนมีป่าช้าเหมือนมนุษย์ทั่วไปหรือเป็นคนประเภทไหนกันแน่เพราะเมื่อรร้มนปิดหูปิดตาและปิดใจไว้อย่างมิจฉิดชนิดไม่ให้มีโอกาสเหลือมองดูหน้าตามัน ว่ามีความลับลมคมในประการใดบ้างเลยแม้อาการของความโลภที่พาให้แสดงตัวออกมาก็ไม่มีท่าทางที่น่าดูเลยไม่ว่าจะพาให้มนุษย์เพศว้ใดแสดงหรือคนชาติชั้นวันนะใดมีอำนาจมากน้อยเพียงไรแสดงไม่เป็นที่น่าดูเอาเลยนอกจากหน้าเกลียดหน้าเอื่มระอาหน้าโลกจะแตกบรรลัยไปไทายเดียวเท่านั้นเพราะายแห่งความโลภระบาดเผาพลานทนหมก ่่ไมไมด้เพราะเหตุดังที่รู้ๆเห็นๆกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจไม่ปิดบางลี้ลับนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงควรได้รับรองยืนยันส่งเสริมว่าเป็นสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแท้ดังความโลภที่ธรรมะท่านแสดงไว้ว่าเป็นอันตรายแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองที่ท่านว่าความโลภเป็นภัย ก็มิได้ว่าไว้เพียงวันนี้และวานนี้เท่านั้นแต่ธรรมะนี้เคยปรากฏแก่โลกมานานพร้อมกับศาสนาที่นําออกประกาศสอนโลกโลกจึงพอทราบหรือพอเดาได้ ว, ว่าความโลภนี้เคยเป็นภัยแก่โลกมานานเช่นเดียวกับธรรมะที่สอนไว้เป็นเวลานานจึงควรรู้สึกโทษของมันบ้างแม้ชั่วขณะฟ้าลับก็ยังจะมีความสงบสุขชั่วระยะหนึ่ง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 ท่านอยู่เป็นสุขผิดกับพวกเราที่ต่างพากันส่งเสริมความโลภให้เจริญและมีอํานาจยิ่งขึ้นจนแทบจะไม่มีโลกให้มันอยู่ถ้าเป็นวัตถุเช่นวัตถุทั้งหลายต้องล้นโลกไม่มีที่เก็บเลยเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างนําออกใช้อย่างออกหน้าออกตาจนลืมสํานึกในความกระดากอายภูมนุษย์ของตัวที่ได้รับยกย่อง ว่าเป็นภูมิที่สูงส่งด้วยความฉลาดและศิลธรรมแม้จะสแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้กองเท่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งความโลภที่ผิดทางเป็นผู้บังคับจุดลากให้ทาก็หาความสุขไม่ได้ตลอดวันตายก็ตายไปเป ล, ล่าเปล่าเฝ้าแต่กองทุกข์ที่ความโลภพาขวนขวายสร้างไว้อย่างมากมูลความเป็นสิ่งที่น่าสลดนี้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 จะมีอะไรที่ไหนมาเป็นตัวทรงอำนาจราชสักให้โลกต้องหมุนตามจนไม่เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดมายิ่งกว่าความโลกที่ได้รับเสกสรรปั้นยอให้เป็นเจ้าใหญ่นายโตบนหัวใจคนอยู่เวลานี้คำว่าเจ้าตัวโลภนี้มันโลภได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกหน้าว่าอะไรขอแต่ให้มันชอบใจแม้พระจันทร์บนฟ้ามันก็บังคับให้ขึ้นไปจับจอง ปกธงบ่งบอกว่าเป็นเจ้าของได้ไม่เกรงกลัวและอายใครจะโหร้อยย่เอาบ้างเลยคือกิเลสกามมันก็ไม่กลัววัตถุกลมมันก็ไม่ถอยถ้าลงได้ชอบใจแล้วมันโลกยังไม่มีเมืองพอตายเป็นตายสู้เสมอไม่มีถอยแม้จะมีเครื่องบำรุงบำเรอแวดล้อมอยู่อย่างพอกพูนทับถมจนมองไม่เห็นตัวมันมันก็ไม่กลัวหนักถึงหลังจะหัก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 ตัวจะตายและขายหน้าไม่มีชิ้นดีสิ่งที่ต้องใจมีเท่าไหร่มันเที่ยวเก็บกวาดมาไว้เต็มหัวใจถ้าใจเป็นเหมือนภาชนะอื่นๆต้องแตกเป็นผุยผงไปนานแล้วแต่ใจเป็นนามธรรมอันเหนียวแน่นแก่นทนทานต่อภาวะทั้งหลายจึงพอทนอยู่ได้ไม่บรนลัยไปกับสิ่งกดทวงทําลายทั้งหลายซึ่งมีอยู่กับใจเป็นประจำแม้เช่นนั้น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 แต่ใจกลับเป็นผู้ยอมรับเสวยผลทนทุกข์อยู่เป็นนิดทั้งที่มีสมบัติเงินทองมากแทบไม่มีที่เก็บรักษาจึงหามาเพื่อบำรุงความสุขทางกายทั้งใจแต่ไม่สามารถนำมาบำบัดเยียวยาพอมีความสุขได้บ้างเท่าที่ควรแม้ทุกข์ร้อนจนไม่มีวันกำหนดปลดปล่อยเสื้อบ้างปฏิปทาที่พระธุดงค์ข้ากรรมฐานท่าน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 ท่านพยายามเสือคลานตามสติกำลังความสามารถของแต่ละท่านดังที่เห็นความแปลกต่างกันในวิธีดำเนินองค์หนึ่งหนักไปในทางหนึ่งองค์ที่กำลังพรนน า, นาเรื่องท่านยังไม่จบคือองค์ชอบนั่งสมาธินานๆเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อรู้แจ้งทุกเขเวทนาในกายในใจแต่เผอิญมีเรื่องกิเลสตัวโลภเข้ามายุ่งในวงการ จึงได้หยิบยกขึ้นแสดงพอหายเพอ้อบ้างตามนิสัยคนมักเพอ้อและจึงได้ย้อนกลับมาแสดงเรื่องท่านต่อไปอีกหวังว่าท่านผู้อ่านคงทราบคนมีนิสัยเลยขอบเขตได้ดีและให้อภัยตามเคย